กุกระตังเนี่ยนะที่บอกว่าทําจิตให้เกิดความนาคเกลียดขึ้นมาเลยเนี่ยน ะ, ะความที่จิตทําความนาคเกลียดชื่อว่ากูกุจจะอธิบายว่าความเป็นผู้มีกิริยาหน้าติเตียนหน้าติเตียนนี้แปลว่าเดือดร้อนใจในภายหลังเไอฟุ้งซ่านนี้ก็คือเก่งมากเลยนะภายในสามนาทีนี้คิดได้ยี่สิบสามสิบเรื่องแต่ก็ไม่ชัดเจนสักเรื่องเลยอันนี้เสียหายเลยคนระัอันนี้ลักษณะของ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 เราก็เออเนี่ยจะซ่อมตาดูแลตาให้มันดีจะได้มาอ่านพระตาบิดกพราะตาสว่างไปทําอย่างอื่นก่อนเนีนะตอนรีๆจะลืมไม่ขึ้นอีกแล้วนะค่อยโอ๊้พระตาบีดกหน้าอ่านเนี่ะ <c oughs> แสดงว่ามันเป็นอะไรนะกิจกรรมประเภทแบบท้ายๆจริงๆเลยนะอย่างเขาบอกว่าอะไรนะว่างๆก็มาฟังทำบ้างนะโอยสมัยก่อนนะก็ถือเป็นเรื่องธุระสําคัญมากขาดไม่ได้นะ่สมัยนี้ก็เอาไว้ว่างๆนะเออถ้ามีเวลาก็มาบ้างนะเนี่ย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 บางครอบครัวเนี่ยนะ ก, ก็สามีภริยาก็ยังอยู่ในอายุสี่ห้าสิบแล้วละ่ะอา้าวทาไมรีบเข้าวัดจังอ่ะปรบางคนนะอายุตั้งหา้าเกือบห้าสิบแล้วก็บอกเนี่ยนะเขาแก่แล้วเขาจะเข้าวัดในเราเนี่ยแม่ถ้าจะเช็ดหน้าผากเปเหงื่อแทบตกเลยนะมองคอยไปเข้าที่อื่นเถอะอย่ามาที่นี่เลยทนะําไมอ่ะก็ขนาดอายุขนาดนี้ยังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยถ้ามากมากกว่านั้นเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องเลยจะเพราะรายนั้นนะจะเพราะรายนั้นเนี่ยนะ ก็ขนาดนี้อายุขนาดนี้ยังหลงหลงลืมลืมเลื่อนเลือนขนาดนี้ถ้ามาักๆจะเลื่อนเลือนขนาดไหนเนี่ยมันก็โอ้ยทําไมมันดูถูกประธรรมขนาดนี้นะจะต้องคอยให้อะไรนะหมดประสิทธิภาพแล้วค่อยหันหน้าเข้าหาธรรมะเนี่ยนะถ้าแก่แล้วค่อยหันหน้าเข้าหาวัดเนี่ยจะต้องไปอีกมุมหนึ่งของวัดนะคนละศาลาแล้วต้องเปลี่ยนศาลาใช่ไหมคนละศาลาแล้วโย่ โน่่ะถ้าอายุมากๆแล้วไปวัดเนี่ยยอีกศาลาเนี่ยไปศาลาสวดแล้วไม่ใช่ศาลาฟังและวเปลี่ยนศาลาฟังนั้นนั้นพรรมนี่บางคนนี่ยมาเสียใจในภายหลังซะส่วนใหญ่เลยนะเสียดายเวลาชีวิตเสียดายเวลาเสียดายเสียดายเสียดายบ่นให้ใครฟังอ่ะนะก็ได้แต่เก็บความน้อยอกน้อยใจไม่น่าเลยเห็นไหมเสียดายในภายหลัง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 แต่ถ้าไม่ได้ศึกษาเนี่ยนะจะเสียใจในภายหลังสติปทานก็ยังไม่ได้เจริญสัมมาปทานก็ยังไม่มีอิทธิบาทก็ไม่มีอินทรีย์พระโพธิชงองค์มรรคทาไมมันมึดไปหมดเลยเนี่ยนะก็น่าสงสารเนี่ยนะเพรั้นใครที่ศึกษาธรรมะตั้งแต่วัยหนุ่มๆนะเขามาเริ่มศึกษาตั้งแตอายุสิบเจ็ดเามายังบอกว่าทำไมมันเริ่มช้าจังมันน่าจะเริ่มมาตั้งแต่คลอดออกมาก็เรียนวิชานี้วิชาเดียวพอแล้เนี่ยนะ หลายเรื่องไม่รู้สึกว่าน้อยใจเลยที่เราไม่ค่อยรู้หลายเรื่องเช่นวิวิชาธรรมปานาติบาศวิชาคดโกงเอ้อไม่รู้บ้างก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะโง่ๆอย่า ง, งนะั้นอะดีถาว่าเราถูกคนอื่นหลอกกับหลอกตัวเองไหนะดีกว่ากันมันก็ไม่ดีทั้งคู่นะนะั่นแหละไม่ดีทั้งคู่อสรุปว่าพระธรรมเนี่ยนะใครที่ไม่รีบขวนขวายเร่งศึกษาเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องเสียใจในภายหลัง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 ผู้ถือบริษัทเขาเสียใจมากที่จริงเนี่ยนะคนที่ควรจะร้องให้จริงๆงเนี่ยควรจะเป็นพวกเราเพราะสมัยนั้นผู้ทรงพระไตวิดกคนที่มีความรู้พระอริยะอยูอย่เยอะยะเต็มไปหมดเลยสมัยนี้เนี่ยนะไม่รู้หันหน้าไปทางไหนมืดสนิทเนี่ยนะคนที่ควรจะเสียใจในกลายเป็นรุ่นเราใช่ไหมแต่เราก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยก็ยังสุดชื่นดีมีความสุขดีเหมือนกันนี่ยก็ถ้าไม่รู้จักเดือดร้อนใจในภายหลังเลยเนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ คนที่สำนวนว่าคนที่ยังรู้จักเดือดร้อนใจในภายหลังยังจะพอจะเจริญได้บ้างแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักวิปฏสสนรเลยนี่เสียหายมากแล้วนะความดีที่ไม่ได้ทำก็แหมใจแข็งเหลือเกินนะไม่ช่างมันไม่ได้ทำดีก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ใช่ไหยบาปทำไปแล้วอา้าวบอกคนเรามันพลาดกันได้เสร็จแล้วก็อะไรนะเฉยตามเดิมอย่างนี้นไม่ยอมแก้ไขถ้าอย่างนั้นหนักหนาสาหัสมาก นคนที่เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยนะท่านบอกว่าถือว่ายังเป็นคนที่มีหิริโอตตะอยู่นะก็ถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มที่แก้ไขได้เนี่ยนะแก้ไขได้แต่ที่สําคัญก็คือสิ่งที่เราทําเนี่ยนะอะสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะดีใจหรือจะปลื้มใจในวันต่อๆไปเพะฉนั้นถ้าเรามีการทบทวนในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเราตลอดว่า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 ปลื้มใจนะถึงเราจะง่วงนะก็ไปง่วงในที่ฟังธรรมดีกว่าไปง่วงที่อื่นๆใช่ไหม โ, โห้เข้าข้างตัวเองอี ก, ก น, นะ <c oughs> ขนาดนั้นยังเข้าข้างตัวเองอี ก, ก น, นะมันก็เธออย่าได้เสียใจในภายหลังเลยนะอย่าต้องตําหนิตีเตียนตัวเองในภายหลังเลยสิ่งใดที่ตัวเองคิดว่าตัวเองต้องตําหนิตัวเองแน่ในต่อไปถ้าแน่ใจว่าสิ่งนั้นตัวเองจะต้องตําหนิตัวเองแน่อย่าทําดีที่สุดเอาไว้ก่อนไม่ต้องทำหรอกสิ่งนั้น ถ้าคิดว่าต่อไปในี่ยฉันจะต้องลำบากใจเพราะสิ่งนั้นแน่นะถ้าใครที่พยายามฝืนตัวเองบ่อยๆบ่อยๆต่อไปก็อะไรนะชินชาใช่ไหมชินชาเขาเรียกว่าด้านไม่ดีมันก็พยายามทบทวนไข่ครวนเสมอว่าสิ่งนี้ที่เราทําไปเราจะลำบากใจในภายหลังไหมเพราะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยนะมันจะเป็นอาหารอย่างดีของกุกุฏจะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษ เ น, นะเช่นสมมติถ้าเราแม้กโกรธคนนั้นมากสะใจมากถ้าได้ด่าเขาเสร็จแล้วไปนั่งเดือดร้อนเร่าเลอยู่เนะี่ยเสียหายใช่ไหมแสดงกิริยาอาการที่เราเป็นอะไรนะไปมีสิทธิ์ตําหนิคนอื่นมีสิทธิ์ไปว่าร้ายคนอื่นมีสิทธิ์ทําให้เขาเสียหายอย่างนั้นเนะี่ยเสร็จแล้วคิดหรือว่าเราจะมีความสุขต่อไปนี่เราจะมีความสุขหรือไม่เพราะฉะนั้นทําไมเราต้องเป็นศัตรูแกต่ตัวเองต่อไปอย่างนั้นนั่นก็พยายามสมาทานที่จะ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 เรานี่แหละจะตำหนิตัวเองแล้วก็ไม่มีใครตำหนิตัวเองให้ตัวเองเดือดร้อนเท่ากับตัวเองไม่มีใครรู้จักเราเท่ากับตัวเราเองใช่ไหมและไม่มีใครตำหนิดูหมิ่นตัวเองให้เราเจ็บใจได้ครับเท่ากับตัวเองดูหมิ่นตัวเองเนี่ยนะเพราะฉั้นคนที่ทำอกุศลเนี่ยตัวเองก็ยังดูถูกตัวเองได้ตัวเองก็ยังดูหมิ่นตัวเองเพราะั้นคนที่ยังดูหมิ่นตัวเองเนี่ยก็ถือว่ายังยังไม่ดีพอเนี่ยนะ จะต้องไม่ดูหมิ่นตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะเพราะว่าผู้ที่ประพฤติกุศลพิจารณาโดยแยบคายแล้วตัวเองติเตียนตัวเองไม่ได้ท่านผู้รู้พิจารณาไคร่ครวนโดยรอบแล้วก็ติเตียนตัวเองไม่ได้นีนะมันก็ตัวสาคัญมากๆก็คือตัวการไม่ทำกุศลการทำอกุศลเป็นอาหารอันโอชะของกุกุจจ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 ถ้ามีก็ลําบากเลยนะเพราะว่าทุกแห่งเนยนะพูดตรงๆเลยที่ไหนไม่มีสัตว์ในอบายบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพิโสเนี่ยท่านเผาดินคือคือท่านท่านสร้างกุฏิอนะกุฏิกุฏิดินเผาองนั้นค่ะทำคล้ายๆกับเป็นแบบรูปงามมากแล้วท่านก็ไปหาไฟเนี่ยมาสมสมสมหาฟืนมาสมแล้วก็จุดไฟเผาพระพุทธเจ้าแตา่ความโมฆะบุรุษนั้นจะรู้ไหมน้อว่าสัตว์นั้นตายเท่าไหร่นะสัตว์ในนั้นตายเท่าไหร่นั่นนะ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 อย่าไปคิดว่านึกว่าข้างล่างไปแล้วไม่มีอะไรเนี่ยนั่นแหละมีมากบางทีเนี่ยอย่างเคยเคยเห็นอย่างที่หนึ่งอย่างสมมุติถ้าเรามองเห็นใน น, น้ํำนะเราก็บอกเออในน้ํามันมีปลาใช่ไหมข้างล่างก็มีโครนถ้าขุดโครนลงไปยังมีไส้เดือนต่อไปอีกมีไส้เดือนที่มุดใต้โครนอีกทีหนึ่งเนี่ยนะสัตว์มันซ้อนซ้อนซ้อน ซ, อ น, ซอนกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉนั้นพยายามอย่าถ้าเราพลาดไม่ได้เจริญกุศลเนี่ยเราก็ต้องไปสู่อบายแล้วถามว่า ชาติหน้าฉันจะไปสวรรค์ชาติหน้าจะต้องไปดีถามว่าถึงมาไปเป็นเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วชาติที่สามไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะขามาถ้าโดยส่วนตัวเลยนะชาติหน้าของเขาไม่ค่อยหนักใจหรอกเพราะชาตินี้เรามีพระพุทธ ศ, ศาสนาใช่ไหมเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ให้เราระลึกถึงมีพระรัตนะไตรให้เราระลึกถึงและชาติหน้าถ้าเรามาเกิดใหม่เนี่ยเราจะมีพระัตนะไตรหรือ เนี่ยนะเราจะมีผู้ชี้แนะทางบุญทางบาป ท, ทางสวรรค์ทางนิพพานหรือเนี่ยนะพันธะพบต่อตอไปเออถ้าชาติหน้าเออปลายปลายาศาสนาถามว่าถ้าสิบชาติยี่สิบชาติข้างหน้าต่อตอไปอีกอะไรจะเกิดขึ้นจากกว่าพระศรีอานจะมาตรัสรู้ถ้าพระศรีอารมาตรัสรู้เราอยู่ในสภาพไหนมีหน้านะจึงได้สวด น, นะขอให้ได้เประาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเมื่อ น, นั้นขอให้กระพเจ้าได้รได้ถึงความเป็นมนุษย์ พ้นจากกา ร, รมันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยเขามีสมัยพุทธกาลเขามีเพระพิสุรูปหนึ่งท่านก็บวชมาประพฤติสมณธรรมแข่งครัดพอสมควรมีอยู่วันหนึ่งท่านก็ไปเห็นอท่านท่านนั่งเรือแล้วก็จับต้นไม้เนี่ยนะจับเทรวะว่าต้นตะไคร่น้ําเนี่ยรนะ็จ แ, แล้วท่านก็ไม่ปล่อย นะช่างมันเถอะมันจะขาดบ้างแล้ช่างมันก็คือถือว่าพลาดของเขียวเนี่ยนะถ้ามีเจตนาจะพลาดเนี่ยถือว่าพลาดของเขียวเป็นอับัตท่านก็่ากอู้อับัตเล็กน้อยเหมือนยังไม่ปลองไม่ยอมปลงไม่ยอมทําคืนพอไม่ยอมทําคืนเนี่ยนะก่อนจะตายเนี่ยท่านก็นึกถึงวินยัยข้อนี้ได้ตลอดเลยแล้วก็ยังไม่ได้ปรงด้วยไม่ได้ทําคืนก็ไม่มีใครมาแถวนั้นอีกแล้วมีความรู้สึกว่าไอ้ต้นไม้ตัวนั้นพันคออยู่ตลอดเวลา แล้วก็จุติตายไปกลายเกิดเป็นอะไรดีเกิดเป็นพญานาคเกิดเป็นพญงูเนี่ยนะเป็นพญานาคแต่ว่าด้วยบุญที่รักษาประพฤติสมณธรรมมาสองหมื่นปีเนี่ยก็ทําให้เป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมีวิมานอยู่วังนั่งอยู่อย่างสุขสบายแต่ก็เป็นพญานาคเป็นอาเหตุตุกัดปฏิสนธิพญานาคตัวนี้เนี่ยรอเสมอเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เมื่อไหร่ก็รอ เนี่ยก็ให้ลูกสาวเนี่ยมาร้องรําตลอดเพื่อจะได้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือยังก็เป็นร้องเพลงเป็นคําถามเนี่ยนะรออยู่จนถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็มีคนที่มาร้องแก้เพลงพญานาครู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เข้าไปเฝ้าพอเข้าไปเฝ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงทำให้ฟังแล้วตัวเองไม่ได้บรรลุอะไรเลยเนี่ยนะปกตินี่จะต้องเป็นพระโสดาบันแต่เพราะความที่ตัวเองปฏิสนธิเป็น อเฮตุกะคือเป็นเดรชานไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็เสียใจมากพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งที่ได้โดยยากหนึ่งคือความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดได้ยากมากเลยนะเพราะถ้าถ้าเทียบกับอบายกับมนุษย์นี่นะมนุษย์ตอนนี้ห้ากพันล้านก็จริงแต่ถ้าเทียบกับอบายไหนมากกว่ากันหน้านี้นะถ้าใครไปจับปลามาเนี่ยปลาแต่ละตัวในท้องตตโตทั้งนั้นเลยเนี่ยท้องโตโตเนี่ยท้องโตโตนี่ไข่ปลานี่ยงเคยเห็นไหมเคยเห็นไข่ปลาไหมนั่นแหละแล้วไข่ ปลาหนึ่งตัวมีกี่ฟองแล้วบางทีนะอย่างเช่นปลาสวายจะไม้ไข่มาเนี่ยตัวเนี่ยเท่าแก้วแก้วเนี่ยฟองเนี่ยฟองเนี่ ย, เ, ยเท่ากับแก้วเลยตักเป็นกะละมังกะละมังเนี่ยทุกค้าขายกันเนี่ยฟองเยอะมากๆเลยแล้วก็พวกเล็กๆกว่าปลาอีกอ่ะพวกเล็กๆพวกอย่างไปที่หนึ่งที่เล่าว่าไปเห็นหน่อไม้เนี่ยนะเมื่อก่อนแล้วก็ชอบหน่อไม้มาก ไปเห็นไอ้ตัวเพลี้ยที่อยู่ในหน่อไม้เข้าในตั้งกันนั้นมาเนี่ยมีหน้าลรอพวกนี้ติดในใจในหน่อไม้เนี่ยนอนจะเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ตามนั้นเนี่ยนะก็เลยเห็นว่าโอ้เนี่ยถ้าไปอยู่ในสภาพเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสทําอะไรบ้างมันการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นของยากมากแล้วถามว่าไอ้สมบัติคือความเป็นมนุษย์เนี่ยนยะเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้นะสมมุติถ้าเกิดในอบายเนี่ยนะจะมี อย่างเช่นเกิดเป็นพญานาคจะมีทรัพย์สมบัติขนาดไหนก็ช่างเถอะมาซื้อความเป็นมนุษย์ได้ไหมซื้อไม่ได้สมบัติเหล่านั้นช่วยอะไรให้ช่วยอะไรให้บรรลุทำไม่ได้เพราะมนุษย์จะต้องเป็นติเหตุกะปฏิสนธิมีอวัยวะครบถ้วนแล้วมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้เนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดาพบพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมอันถ้าเราปล่อยประละเลยเราก็หมาถือว่าเป็นผู้ที่ ปะทุสร้ายตัวเองมากเลยเนะถ้าเราปล่อยโอกาสในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมให้ผ่านพ้นไปเราจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดแล้วไม่มีใครตําหนิเรารุนแรงเท่ากับเราใช่ไหมเพราะเราต้องเกี่ยวข้องกับตัวเองอีกนานหรือว่าเราก็ยังไม่มีโว้ยตนของตนก็ยังไม่มีไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ความว่างเปล่าสุญตาอนัตตาขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะ <c oughs> มันก็ ยังยไงยังไ ง, ง, ไงก็อย่าได้เสียใจในภายหลังเลยอย่าต้องลําบากใจในภายหลังเลยตอนนี้ถือว่าเราได้ทรัพย์สมบัติหลายอย่างที่มีค่ามีตาก็ไว้อ่านพระไตรปิฎกเธอมีหูก็ไว้ฟังคำํำสอนอันนั้นมีสุขภาพร่างกายไม่ป่วยไม่ไข้ก็จะได้ฟังธรรมกันเพราะถ้าป่วยถ้าไข้ถ้าไม่สบายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนาะวันก่อนโยมเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยนะเกือบจะตายแล้วล่ะแต่อีกไม่กี่วันคงตายแล้วทีนี้ไอ นอนอยู่ในเตียงเนี่ยอะไรคนมาเยี่ยมตลอดเลยนะคนมาเยี่ยมที่คนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยนะคนโน้นก็นมาคนนี้ก็มาโอ้โแล้วก็พูดอยู่คนเดียวนั่นแหละถามว่าตอนนั้นแล้วใครจะช่วยใครได้เนี่ยนะเราจะได้จะต้องไปอยู่ในอาการที่ละเมอเพลอดลั่งขนาดนั้นเลยมันจะลําบากมันเรียบศึกษาคําธรรมะแล้วก็เจริญกรรมฐานให้ได้เจริญกุศลให้ได้นั่นแหละเป็นสะพานเป็นเชือกที่เราจะข้ามไปพ้นจาก อบายได้ถ้าไปอยู่ในอาการที่สุขภาพก่อใหม่ดีถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะอย่าคิดนะว่าเราฟังธรรมจะฟังได้ฟังไม่ได้หรอกเนีย่ยนะป่วยจริงๆเนี่ยถามถามโยมดูเถอะที่เพิ่งไม่สบายมาไม่นานเนี่ยนะฟังธรรมตลอดเข้าใจายอย่างลึกซึ้งเลยเนาะเข้าใจาดีแสดงว่าเป็นยังไม่มากแต่เป็นมากจริงๆแม้แต่เสียงฟังธรรมยังฟังไม่ได้เลยนะฟังไม่ได้เลยถ้าสุขภาพไม่ดีถ้าหู ถ้ายิ่งโรคเกี่ยวกับหูด้วยในยโรคเกี่ยวกับหูโรคเกี่ยวกับตาด้วยแล้วถามว่าร่างกายของเราเนี่ยส่วนไหนมันจะบกพร่องก่อนรู้ไหมตัวไหนวิโรที่ปัจจัยจะเล่นงานก่อนตัวไหนจะทำกิจลุกปัญละลักษณะก่อนถ้าตวยแล้วตายเนี่ยนะถ้าเป็นโรคช่วงล่างๆของสุขภาพเช่นร่างกายช่วงแขนช่วงขาก็ค่อยยังชัวช่วจะไหมยังตาก็ดีหูก็ดีถ้าปวดหัวอย่างเดียวเลยแห้ะฟังทำได้ไหมอ่านถ้าธรรมได้ไหมจบเลยแล้วเรารู้ได้ไหมว่าเราจะปวดตรงไหนก่อน ถ้ารู้ไม่ได้ถ้ารู้ไม่ได้ตรงนี้แหละควนขวายไว้เธอเนี่ยนะควนขวายไว้เธอถ้าเกิดเราไปลักษณะเป็นคนไข้ที่เขาไม่ยอมให้ตายสักทีเลยเขาปั๊มให้เรามีบุญเก่ามากเขาดูแลอย่างดีเลยเข้าห้องอย่างดีเลยที่เรียกว่าให้หายใจได้ก็แล้วกันนะ่ะให้หายใจให้หัวใจเต้นได้แต่ว่าสักสามปีเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น ธรรมะที่เรียนเนี่ยอันตรธานศูนย์โยปัญายังว่างเปล่าไปหมดเลยคันนี้มันขวนขวายไว้เธอเอาให้เพียงพอเลยเอาจนมั่นใจเลยนะว่าเป็นใจที่เป็นไปกับบุญแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายกายจะแตกก็ช่างใจก็จะไม่ห่างจากพระธรรมเนี่ยนะก็ใจก็จะไม่ห่างจากคําสอนใจก็ไม่ห่างจากศึกษาถ้าใครสมาทานได้ขนาดนั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังแล้วละ่และแปลว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงในอธิศีนอธิจิตและ อธิปัญญาอย่างไรก็ตามให้ใจเป็นไปกับอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาใจของผู้ใดเป็นไปกับอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาได้ใจเหล่านั้นนี่แหละจะพ้นจากความเดือดร้อนใจในภายหลังเ น, นะตอนนี้นะตอนที่สุขภาพดีๆไม่เห็นมีอะไรต้องเสียใจเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวเถอะถึงวันหนึ่งเราจะเสียใจเองเหมือนกันเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับตอนเก็บข้าวเก็บของยังไม่ได้เดินทางเราก็บอกเอ้ยก็นนั้นครับมันอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองพร้อมที่จะหยิบจะฉวยใช่ไหม พอไปอีกที่หนึ่งที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะเอาอะไรไปคะ น, นี่เหมือนกับคนที่ต้องเดินทางไกลเนี่ยนะถ้าสเสบียงทางไม่พอนี่ลําบากมากพระพุทธเจ้าตรัสกับอุบาสกคนหนึ่งว่าบัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองแล้วดุจใบไม้เหลืองก็แปลว่าอะไรไม่นานก็ร่วงละเงี้นเด้อถึงพายุมาบ่อยๆนี่ปลีวเร็วไหมบุรุษแห่งพญายมนี้ปรากฏแก่ท่านแล้ว ก็คือความตายนี่ได้ใกล้เข้ามาเยือนท่านแล้วแต่ว่าท่านจะต้องเดินทางไกลใช่ไหมสเบียงทางของท่านก็ยังไม่มีที่พักในระหว่างทางก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นทํำยังไงดีเพราะฉะนั้นจะต้องรีบขวนขวายที่จะเป็นบัณฑิตขวนขวายที่จะสมาทานประพฤติอธิศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาถ้าขาดสิกขาแม้แต่สิกขาเดียวก็จะต้องเสียใจในภายหลังเป็นแน่ ถ้ายิ่งไม่ได้เป็นพระโสดาบันด้วยแล้วเราก็จะต้องเสียใจเหมือนหลายคนที่เขาเสียใจว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้มามากมายแล้วเขามัวทาอะไรอยู่อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเมื่อสองพันกว่าปีนะเราก็ถือว่ายังอยู่นะแต่ไม่รู้อยู่พบไหนนะตอนนั้นเนี่ยเราไปทำอะไรกันอยู่นะ น, นะเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเราไปอยู่ที่ไหนไปอยู่จั ก, กรวาลไหนไปอยู่ตรงไหนทำไมไม่ไปฟังธรรมเนี่ยนะ นี้ก็บอกเออเดี๋ยวไปฟังต่อที่สวรรค์แล้วกันเนี่ยอยู่กรุงเทพดูว่าฟังธรรมแค่ไหนเนี่ยนะไปเมืองสวรรค์เนี่ยก็ดูกันแล้วกันแต่ไม่แน่นะหลายคนก็อยู่กรุงเทพแต่ก็ไม่ทิ้งฟังธรรมใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่เมืองสวรรค์นี่ไม่แน่ใจเนี่ยนะยอมว่าเนี่ยที่ที่ห้างกับที่นี่ที่ไหนมากกว่ากันที่ห้างกับที่ฟังธรรมไหนมากกว่ากันเนี่ยนะเอาคนฟังธรรมมารวมกันสักพันแห่งก็ยังไม่เท่ากับห้างเลยเพราะคนตรงนั้นเนี่ยมันอ้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่นี่แค่กรุงเทพนะยังไม่ใช่เมืองสวรรค์นะเม เพราะว่าผู้ที่ฝักฝ่ายเพื่อความพ้นทุกข์นี่น้อยนักเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ในอบายจึงเยอะมากเราจะได้บ่ายหน้าบากหน้าไปสู่อบายเลยถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมนะอยากคิดนะว่าเราจะพ้นพระพิสุตสมัยพุทธกาลท่านคุยกันเสมอไว้ว่าอบายเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยนะเนี่ยนะเหมือนกับบ้านเราจริงๆเหมือนประตูเรือนเนี่ยนะไปไหนถ้าไปไม่รอดจะต้องกลับบ้านเก่าเพราะอะไรไปที่ไหนที่เราไปแล้วเป็นกุศลเนี่ยมีมากหรือมีน้อย ไปแล้วกุศลโดยส่วนเดียวไม่มีอาคุศลซึมมาเลยแทรกมาเลยมีไหมที่ตรงไหนที่ตรงนั้นอยู่ที่ไหนหนอถ้ามีเดี๋ยวเขามาจะไปด้วยแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยต้องเยี่ยมเลยแหละที่ที่อาคุศลมันไม่เล่นงานไม่กลุ่มรุมไม่มีปัจจัยแห่งอกุศลเลยมีแต่ปัจจัยแห่งสมถาวิปัสนาปัจจัยที่จะให้ตรัสรู้อริยสัจที่ตรงนั้นดีแน่ดีแน่ถึงจะให้ไปเป็นทาสก็ยอมเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะแสดงว่าจะต้องเดี๋ยวได้ตรัสรู้อีกไม่นานจาก ตรัสรู้แล้วล่ะไม่นานก็จะพ้นทุกข์แต่ว่าที่แบบนั้นหายากในโลกเพราะโดยมากก็มีแต่ปัจจัยแห่งอกุศลเมื่อมีปัจจัยแห่งอกุศลทีนี้ถามว่าถ้าเขาโกรธเราเนี่ยเรานั่งยิ้มมีเมตตากับเขาขอให้คุณมีความสุขนะขอให้ขพระเจ้ามีความสุขอย่างนี้ไหมไม่เขาด่าเราคําเดียวที่เหลือเราด่าเขาหมดเลยเข <c oughs> ตีเราครั้งเดียวที่เหลือก็ตีเขาตลอดเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็น่าสงสารนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง ท่้นความที่คนเนี่ยเนะจริญกรรมาฐานไม่ได้ใจไม่สงบส่วนใหญ่ก็นึกตำหนิตัวเองที่ผ่านมานึกถึงความหลังว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่ททำไมมาทำทาอย่างนั้นทำไมไปทำอกุศลแบบนั้นทำไมแลวก็คนที่ทำอกุศลมาแล้วเนี่ยนะอย่างโดยมากจะเสียใจในภายหลังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่พยายามคับสรนเลือกสรรไว้เสมอเต่ว่าขอให้ได้เป็นไปกับกุศล ขอให้เป็นไปกับผู้สนให้เป็นไปกับอาธิศีนให้บ่อยๆเป็นไปกับอาธิจิตและอาธิปัญญาขอให้เป็นไปกับสิกขาสามแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อการตรัสรู้ธรรมแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกนะพอทําไปทํามาสงสัยอีกแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยนะวิกิกิจชาก็เข้ามาอีกใช่ไหมจริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือพระธรรมดีจริงหรือพระสงค์ปฏิบัติดีจริงหรือเนี่ยแล้วสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นกุศลจริงหรือมันให้ผลเป็นสุขจริงหรือทําไปทํามาก็เริ่ม อะไรนะเริ่มขัดขาตัวเองแล้วใช่ไหมขัดใจตัวเองเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะนั้นตัววิจิกิจฉาเนี่ยก็ตัวกลางกั้นตัวบันทอนทาให้ไม่เจริญกุศลทัานตัววิจิกิจฉาตัวนี้เนี่ยท่านบอกว่าตะปูตรึงใจเลยนะตะปูตรึงใจห้ามเจริญกุศลเลยซึ่งนึกสงสัยในพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ไม่เจริญกุศลแล้วสงสัยในพระธรรมขึ้นมาก็ไม่เจริญกุศลสงสัยในพระสงฆ์ก็ไม่เจริญกุศลสงสัยในอธิศีนอธิจิตอ ธ, อ ธ, อธิปัญญาก็ไม่เอาละ พอไม่ก่อให้เกิดความเพียรแล้วพันตัววิจิกิจฉานี่ก็เป็นตัวนิวรนที่รัดตรึงตรึงจิตห้ามไม่ให้เกิดการเจริญกุศลทั้งหลายพันทำห้าที่ควรละคือนิวรนหถ้าละนิวรนห้าได้แล้วก็โอปฐมมชานี่ก็อยู่แค่เอื้อมเนี่ยนะปฐมมชานนี่อยู่แค่เอื้อมจริงๆถ้าได้ปฐมมชานแล้วนะถือว่าจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องจิตควรแก่การงานแล้วเนี่ยน้อมไปเจริญสมถะ อย่างอื่นเจริญวิปั ส, สนาก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วแต่ว่านิวร์เนี่ยมันเป็นตัวบันทรเป็นตัวที่ทําประทุษร้ายเล่นงานจิตเพราะว่านิวร์แต่ละตัวเนี่ยนะอย่างกาเมฉันท่านิวร์เนี่ยเป็นเหมือนคนมีหนี้พยาบาทนิวร์ก็เหมือนคนไข้ถีนะมิท่านิวร์ก็เหมือนคนอยู่ในห้องขังกุททจกุกุจา่านิวรนก็เหมือนธาตุวิจิกิจชานิวร์ก็เหมือนกับคนที่เดินทางที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายหน้าหวาดระแวง นิวร์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะประทุษร้ายมากนิวร์เหล่านี้ทําให้ทรงจำคำสอนไม่ได้ทําให้ไขครวนคำสอนไม่ได้ทําให้ระลึกถึงคำสอนไม่ได้เป็นตัวที่บัรนทอนในการเจริญศขาสามมันทำห้าถ้าใครทําบุญและตั้งความปรารถนาก็เนี่ยขอให้ได้กําจัดนิวร์เหล่านี้ออกไปตรงนี้ก็คงพักสักครู่ก่อนน่าะมา มาขึ้นประหาตประทำทำที่ควรละหมวดต่อไปเลยนะหมวดหกธรรมะหกที่ควรละคือตันหากายะกายตัวนั้นนี่แปลว่าแปลว่ากองแปลว่าหมวดหรือแปลว่าหมู่ก็ได้แปลว่ากลุ่มก็ได้นั้นธรรมะหกที่ควรละคือตันหากลุ่มเอตันหาหกกลุ่มจริงๆนะครับแปลให้แตงก็คือตันหาหกกลุ่ม กลุ่มรูปตัตหากลุ่มสัตธาตันหากลุ่มคันธาตันหากลุ่มระัศะตันหากลุ่มโพธพาตันหาและกลุ่มธรรมตันหากลุ่มตันหาที่เพลิดเพลินในสีเพราะการยินดีในสีไม่ได้ยินดีในสีเดียวใช่ไหมยินดีในสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงสีในอดีตสีที่จะมีต่อไปในอนาคตเอ๊ชอบสีที่จะมีในอนาคตเป็นยังไงเป็นยังไง แต่กว่พวกนี้ไม่ค่อยปลูกต้นไม้ถ้าพวกปลูกต้นไม้บ่อยๆนะเขาจะหวังว่ามันจะออกดอกออกช่อกงามเขาจะจินตนาการภาพในความคิดไว้ตลอดเลยนะอย่างโยมคนหนึ่งเนี่ยนะเขามาปลูกเขาชอบปลูกกล้วยไม้เป็นชีวิตจิตใจเขาจะรดน้ำแต่เขาจะรดน้ําต้นไม้ของเขาตลอดนะ เกือบทุกวันที่เขามีเวลาว่างเขาจะต้องมารดน้ํากล้วยไม้เขาจะไปปลูกไว้ตามต้นไม้ตามเต็นไปหมดถ้ามันออกดอกนะท่านกลิ่นมันหอมเต็มไปหมดเลยนะก็หวังว่าจะได้ดมกลิ่น ห, หวังว่าจะได้เห็นดอกไม้ที่มันเบ่งบานตามต้นไม้ต่างๆเพราะเขาปลูกกล้วยไม้ป่าท่านพวกที่รูปปัญหาเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้จะคิดถึงเรื่องในอนาคตใช่ไหม กระหวังความเจริญเติบโตห ว, วังความผลิดดอกออกผลจะได้เห็นดอกเห็นผลจะได้บริโภคอย่างนั้นอย่างเี้พวกนี้พวกปลูกพันไม้ทั้งหลายแหละพวกนี้จะอัตตันหาในอนาคตเนี่ยนเะพราะหวังว่าจะได้เห็นภาพแบบนั้นหวังว่าจะได้เป็นอย่างนี้พวก น, นี้ก็จะเป็นตันหาที่จะมีต่อไปในอนาคตมันพวกตันหากายะเนี่ยนะรูปตันหาสัทธตันหาเป็นต้นแล้วก็เป็นกลุ่มๆ กลุ่มสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงกลุ่มสีที่อยู่ในบุคคลต่างๆสีที่อยู่ในหญิงสีที่อยู่ในชายสีของผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยนะก็เพลิดเพลินในสีโดยประการต่างๆอันรูปปัญหาเนี่ยจึงเป็นกองเลยนะมันเยอะเนี่ยนะสัตว์ท่าัญหาก็เยอะเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องเสียงใช่ไหมเสียงสูงเสียงต่ําเสียงทุ่มเสียงลมเสียงทั้งหลายแหละเนี่ยที่มีมีอยู่เนี่ยก็ ในโลกของดนตรีด้วยนี่ยิ่งยุะแยะไปหมดเลยทันตัญหาที่เกิดเพลิดเพลินในเสียงนี่จึงมีมากแล้วคันถ่าตัญหากลิ่นตัญหาที่มีในกลิ่นเช่นกลิ่นที่เกิดจากดอกดอกไม้ทั้งหลายกลิ่นน้ําหอมกลิ่นอาหารนะกลิ่นข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายแหละนันตัญหาที่เพลิดเพลินในกลิ่นเนี่ยนะก็โลกอีกโลกหนึ่งเลยแหละในเรื่องของกลิ่น ยิ่งรถด้วยเนี่ยนะยิ่งใหญ่มากสมัยนี้รสะตันหาเนะี่ยยิ่งใหญ่จริงๆรสะตันหาเนี่ยนะในโลกของอาหารเนี่ยเยอะมากๆเลยและอาหารของแต่ละชนชั้นเอ่อของชนชาติของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ให้รสะตันหาที่แตกต่างกันมันโลกของรสะตันหาเนี่ก็มากโพธะพะตันหาอะไรโพธะพะตันหาก็เยอะนะเช่นพวกดื่มน้ําเย็นน้าร้อนพวกนี้ทั้งหมดก็กลุ่ม โพธภะตันหาแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็คือให้โพธภะตันหาธรรมะตันหาแล้วก็คือคิดเรื่องราวทั้งหลายแหละที่เป็นไปในรูปเสียงเปลี่นรสนั่นแหละเป็นบัญญัติทั้งหลายที่ทเกี่ยวเนื่องกับเรื่องรูปเสียงกปลี่ยนรสพวกนี้ก็เป็นธรรมะตันหาดังั้นในโลกของตันหานั้น่ะจึงมีมากท่านบอกว่าเป็นโกงเป็นกลุ่มเยอะแยะไปหมดเลยอันทำหกท่าจะละก็ละตันหา รูปปัจจันหาสัทธาปัจันหาคันธตัจหาราษฎรัจหาโพธิภะปัจจันหาและธรรมะปัจหาเนี่ยคูณกามะปัจหาภวะปัจหาและวิภวะปัจหาอีกเนี่ยแล้วะคูณภายในคูณภายนอกคูณการสามเนี่ยไม่คูณบุคคลเดียวกันนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยท่วมเหมือนปัจหาท่านจึงว่าโอคะนี้ไม่ผิดเลยกาโมฆะมันท่วมทับสัตว์เนี่ยนะมันทำหกที่ควรละคือตัจจันายะหกไอจระตัจหานี่ละได้ยังไง ก็ละด้วยทำปริญญาในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจนั่นแหละรูปรูปปะตะัตตรรูปคือสีเนี่ยนะเป็นที่อาศัยเกิดแห่งตัณหาถ้าจะละรูปปตัตนหาต้องพิจารณารูปจนกําจัดตัณหาในในอารมณ์นั้นพิจารณารูปนั้นจนรูปนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอีกต่อไปพิจารณาเสียงพิจารณากลิ่นพิจารณา รสพิจารณาโพธะภะพิจารณาธรรมรมทั้งหลายจนอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาอีกต่อไป เ, เพราะพระองค์ตรัสว่าตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดที่รูปเสียงปลี่ยนรสโพธพภะและธรรมมรมถามว่าถ้าจะละตันหาละที่ไหนถ้าจะดับตันหาดับที่ไหนก็ดับที่รูปเสียงเปลี่นรสโพธภะและธรรมมรมพิจารณาอย่างไรพิจารณาแค่ไหนจึงจะสมควรแก่การ ละรูปปัจจันหาเป็นต้นก็ยังไงก็ไม่พ้นปริญญาเนี่ยนะไม่พ้นอะไรนะยาตะปริญญาตีรณปริญญาและปะหานะปริญญาแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของสิกขาสามให้ได้นะตัจนหาเกิดขึ้นในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมอารมณ์ก็เนื่องจากไม่มีสิกขาสามในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะและธรรมอารมณ์ ที่จรณาอย่างไรจนกว่ารูปเสียงเปลี่นรสโพธะธรมรมอารมณ์เหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งสิกขาสามเนี่ยนะก็เจริญสิกขาสามในทุกอารมณ์เพราะผู้ที่จะบริสุทธิ์จากตัญหาได้ถ้าไม่ใช่สิกขาสามแล้วบริสุทธิ์จากตัญหาไม่ได้หรอกอันทุกอย่างจะต้องเจริญสิกขาสามได้กับทุกหนทุกแห่งทุกอารมณ์ส่วนธรรมะเจ็ดที่ควรละคืออนุสัยเจ็ด อนุสัยนี้เพราะอัฏฐาว่าอะไรอัฏฐาว่ายังละไม่ได้ฉนั้นการมาราคาอนุสัยเห็นไหมหนึ่งการมราคาอนุสัยสองปฏิคาอนุสัยสามมานานุสัยสี่ทิฏฐานุสัยห้าวิจิกิจานุสัยหกภาวะราคาอนุสัยเจ็ดอวิชานุสัยคําว่าอนุสัยนี้แปลว่าอะไรนอนเนื่องโดยอัฏฐาว่ายังละไม่ได้มันนอนแช่อยู่เลยใช่ไหมหลับสนิท มันเป็นยังไงท่านบอกว่าเป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังเนี่ยนะเป็นชื่อพลวะกิเลสที่มีกําลังเรียกว่าอนุสัยมันไม่ใช่มันไม่รู้สึกนึกคิดมันหลับสนิทแช่อยู่ในจิตไม่ใช่แช่อยู่แบบอะไรนะนอนเนื่องตกตะกอนอะไรที่เขาว่าไม่ใช่สักอย่างเพรา ะ, ะนั้นคําว่าอนุสัยนี่เป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังเนี่ยนะกิเลสที่มีกําลัง ัการมราคานุสัยก็คือการมราคาที่มีกําลังความเพลดิดเพลินที่มีกําลังการมราคานุสัยเนี่ยเกิดอาศัยอะไรเกิดขึ้นอารมณ์ของการมราคานุสัยคือปีรูปสาตรูปปีรูปสาตรูปก็คลุมหมดแล้วเนาะสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจการมราคานุสัยก็จะเกิดในสิ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจหรือในสุขเวทนาเป็นต้นเนะี่ย พวกนี้เป็นที่อาศัยเกิดแห่งการมราคาโนใสปฏิคานุใสแหละ่ะอปิยรูปอาสาัตตรูปทุกขเวทนาเนี่ยเป็นที่อาศัยเกิดแห่งปฏิคานุสใสการมาราคาโนใสัยเกิดร่วมกับจิตกี่ดวงแปดวงเนี่ยนะโลภะแปดนั่นแหละปฏิคานุใสเกิดร่วมกับโทสะมูลจิตสองดวงมานานุสัยก็เกิดร่วมกับโลภะวิปยุตสี่ดวงทิฐานุใยเกิดร่วมกับ ทิฏฐิคตะสัมปยุตสีด่ดวงวิจิกิจฉานุสัยก็เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตหนึ่งดวงภาวะราคานุสัยก็เกิดร่วมกับโลภาวิประยุตสีด่ดวงอวิชานุสัยเกิดร่วมกับอกุศล12ดวงตัวอารมณ์ของอนุสัยก็คือการมราคานุสัยเกิดในปีรูปสาตรูปในสุขเวทนาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลิน เ, เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจปฏิขานุสัยเกิดในอารมณ์ชนิดไหน โกรธของสวยๆนี่เรียกว่าปฏิคานนุสัยไหมโกรธของที่ของดอกอะเช่นสวยไปหน่อยสวยอะไรนะสวยน้อยไปหน่อยอย่างเงี้ยนะปฏิเรียกว่าปฏิคานนุสัยไหมไม่เรียกนะเพราะปฏิคานนุสัยจะต้องเกิดในวัตถุอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจเท่านั้นจึงจะเรียกว่าปฏิคานนุสัยอย่างเช่นโกรธลูกอันเป็น อ, อสมมตนะลูกเป็นที่รักป่วยไม่สบายเนี่ยนะนะถามว่าชอบไหม ไม่ชอบถามว่าโกรธลูกไหมไม่โกรธสบายใจยไหมตกลงอันนั้นเป็นอนุสั ย, ยไหมไม่เป็นปฏิคานุสัยแต่เป็นอวิชานุสัยในใ น, ในสิ่งนั้นนะนะเป็นที่ตั้งแห่งอวิชานุสัยแต่ไม่ใช่เป็นที่ตั้งแห่งปฏิคานุสัยในขณะนั้นมานานุสัยนอนเนื่องในรูปประพบอารูปประพบและในสุขเวทนาอุเบกคาเวทนา เพราะฉะนั้นปีรูปสารูปทั้งหลายก็ช be ื่อวนะ่าเป็นที่ตั้งแห่งมานะเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งมานะสุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะทิฐานุสัยก็คือวัตตในภูมิสามเป็นที่ตั้งแห่งทิฐิทิฐานุสัยหมดเลยวิจิกิจฉานุสัยวัตตในภูมิสามก็เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉานุสยัยเพราะว่าราคานุสัยก็คือรูปประพบอรูปประพบชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งภวะราคานุสยัย วตัตตาในภูมิสามทั้งหมดเป็นที่ตั้งแห่งวิชานุัยเพราะอ น, อนุัยนี้เป็นชื่อของกิเลสที่ยังละไม่ได้เป็นกิเลสที่ยังมีกำลังนนะกิเลสที่มีกำลังมากเรียกว่าอนุั ย, เ, ยนะเกี่ยวกับโดยสับเนี่ยนะความกำหนัดในวัตถุกรรมทั้งหลายชื่อว่ากรรมมาราคะเนี่ยนะราคะคือกรมชื่อว่ากรมมาราคะก็คือความกำหนัด ด้วยอำนาจแห่งความใคร่ในวัตถุกรรมทั้งหลายที่ถึงความมีกําลังเรียกว่ากามราคานุสัยเอาแล้วถามว่าถ้าชอบอภิยรูปอาสาตรูปชื่อว่ากามาราคานุสัยไหมเป็นไหมสมมติว่าชอบอะไรนะเรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าคนอื่นเขาบอกน่ารังเกียจมากแต่คนนี้ชอบอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าการมมราคานุสัยเพราะชื่อว่าเกิดในสิ่งที่ที่มันไม่ได้น่าชอบอะไรเลยเช่ชชนบางคนเนี่ยนะความเสียหายทรัพย์สินของ ของผู้อื่นเนี่ยแล้วชอบที่คนอื่นเขาเสียหายทรัพ e ย์สินดีใจมากไอ้ยางนี้เรียกว่าการมาราคานุสัยไหมไม่เรียกนะดีใจมากที่เขาตกนรกอ่ะนะศัตรูของเราเตกนรกดีใจมากไอ้อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการมาราคานุสัย<ๆ>อะไรเพราะการมาราคานุสัยจะต้องเกิดในอารมณ์เป็นที่รักเป็นที่พอใจในอารมณ์ที่เป็นสุขนะบางคนดีใจมากชอบมากที่คนอื่นเจ็บปวดก็ไม่เรียกว่าการมราคานุสัย ปฏิฆะล่ะกระทบกระทั่งในอารมณ์ก็คือไม่ชอบในอารมณ์นั้นเนไม่ชอบจริงๆเลยนะในอารมณ์นั้นจึงเรียกว่าปฏิฆานุสัยถ้าไปไปอะไรนะเกลียดเหลือกเกินใครเอาอาหารอร่อยๆมาให้เราอย่างนี้ถามว่ามีไหมคนโกรธแบบเนี้ยโกรธที่คนอื่นเอาอาหารอร่อยๆมาให้มีเขามีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่าถึงเรื่องอเศรษฐีบางคนเนี่ยนะเศรษฐีบางคนเนี่ย ด่าคนใช้มากเลยที่เอาอาหารชั้นดีมาให้ให้ตัวเองบริโภคบอกกินอย่างงี้ก็เจ๊งหมดสิเสียหายหมดส่อย่างเงี้นะก็เลยกโกรธเลยที่เอาอาหารอร่อยอะไรปทั้งโนู้นอ่ะไปเอาเข้าวหักหักมาต้มเมลูเนี่ยไนปะเอาผักลองมาเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นเขาทานได้บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ากโกรธในสิ่งที่ที่ปกติคนทั่วไปชอบเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่เรียกว่าปฏิคานุสัยนะไม่เรียกว่าปฏิคานุสัยเพราะอะไรเพราะไปไป โกรธในอารมณ์ไม่ควรเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเนี่ยนะแต่ก็ขณะนั้นก็มีโมหะอยู่ทิฏฐิก็คือไม่เห็นตามความเป็นจริงแสดงว่าเห็นตรงกันข้ามใช่ไหมทิฏฐินี้เช่นเห็นในสิ่งที่สำคัญว่าสุขงามเที่ยงยั่งยืนและอัตตาเนี่ยนะด้วยอำนาจวิปลาสทั้งหลายนั่นแหละเป็นลักษณะของทิฏฐิเพราะพื้นฐานของมิจฉาทิฏฐินี้อยู่บนพื้นฐานของวิปลาสนะ ถ้าไม่วิปลาสไม่มีมิจฉาทิฏฐิหรอกแต่อยู่บนพื้นฐานของวิปลาสจึงมีมิจฉาทิฐิขึ้นเพราะถ้ารู้เห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงแล้วจะไม่เกิดมิจฉาทิฐิแต่เนื่องจากวิปริตเข้าใจผิดเข้าใจตรงกันข้ามในความเป็นจริงจึงเป็นมิจฉาทิฐิส่วนมานะละ่ะมานะก็คือมานะคืออะไรก็สําคัญว่าดีกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขา อันนี้ลักษณะของมานะเนี่ยนะก็อาหางการนั่นแหละอาหารการส่วนความกำหนัดในภพชื่อว่าภาวะราคะเนี่ยนะความกำหนัดในภพเนี่ยชื่อว่าภาวะราคะก็คือความเพลิดเพลินในรูปประชานอารูปประชานในรูปประพบอรูปประพบเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นภวะราคานุสัยก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเนี่ยนะจริงหนังสือเ้าแก้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าปิดออกมามันผิดพลาดนิดหน่อย หวังว่าคงถ้าใครกโกรธก็บาปใครจิตเป็นอกุศลก็บาปนั่นเองกระป้าเจ้าจากรักษาใจขระป้าเจ้าทําบุญมาไม่ดีเองอืไม่ใช่อะไรมนะันแก้อะไรไม่ได้แล้วก็แก้เอาก็แล้วกันต่อไปนะทำแปดที่ควรละคือมิฉตะเนี่ยนะจริงๆอ่ะมิฉตะเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์จริงๆก็ต้องแปลว่าความต ะ, ตะตะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าความมิชช้าก็ผิด มิชามิชาเนี่ยแปลว่าผิ ด, ค ว, ผดความผิดอะไรความผิดยังไงก็ปฏิบัติผิดนั่นแหละเช่นปฏิบัติเป็นมิฉาทิฏฐิปฏิบัติเป็นมิชาสังกปะเนี่ยนะเพราะว่าถ้าสมาัมมามะเขาเรียกว่าปฏิปทาใช่ไหมเรียกว่าข้อปฏิบัติททนี้ก็เป็นการปฏิบัติผิดชัดๆเลยเขาเรียกว่าเป็นความปฏิบัติผิดแปดประการเพราะฉะนั้นมิจชตาเนี่ยนะความปฏิบัติผิดเพราะมีสภาพ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 ันสิ่งโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้ามิจฉาทิฐิเกิดอย่างเดียวเนี่ยนปฏิเสธหมดเลยตัดทางสวรรค์ทางนิพพานหมดเนะี่ยเพราะมิจฉาทิฐิเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดข้อปฏิบัติชอบกำจัดเช่นว่ามิจฉาทิฏฐิบอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปรักษาศีลเลยศีลเป็นของดีใช่ไหมมิจฉาทิฐิบอกว่าทุศีลไม่เป็นไร สัมมาทิฏฐิบอกว่าจเจริญสมถะดีมิจฉาทิฏฐิบอกจเจริญทำไมจเจริญให้มันเกิดอะไรขึ้นสัมมาทิฏฐิบอกว่ากรรมสักตาสมาัาสามมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ดีมิจฉาทิฏฐิบอกไม่จำเป็นเนี่ยนะพูดปฏิเสธตรงเงินข้ามหมดเพราะนั้นมิจฉาทิฏฐิบุคคลในที่สุดก็สรรเส ร, ริญอกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะกลายเป็นว่ายกย่องอกุศลกรรมบทในที่สุดมิจฉาทิฏฐิปฏิเสธกุศลก็กไปจเจริญ อกุศลแล้วจะไปไหนก็อย่างว่าเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคติสองเนี่ยคือนรกกับเบร า, รานเขาบอกว่าโอ้ยแต่คนยุคนี้มิจฉาทิฏฐิเยอะแยะไปหมดงั้นเขาก็ไปอาบายกันหมดสิไม่ต้องไปห่วงรอกเนี่ยนะยุงกับคนไหนมากกว่กากันางเงี้ยนะยุงนี่มันเยอะจริงๆเลยนะถ้าไปเกิดเป็นยุงอะไรจะเกิดขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกเนี่ยนะเขามาว่าถ้าไปอยู่ในบ่อปลาเนี่ยได้ไม่กี่บ่อหรอก คนทั้งโลกเลยนะเพราะมันอบายมันเยอะแยะไปหมดเลยนะพระงพ อ, องค์พระองค์ตรัสอยู่แล้วใช่ไหมว่ามีอยู่สูตรหนึ่งนะพระองค์เอาฝุ่นเอาเเอาเล็บเนี่ยช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็บพระพุทธเจ้าจะไปเล็บเท่านางรําได้ยังไงใช่ไหมเล็บพระองค์ไม่ได้ยาวเหมือนเล็บนางรําที่ไหนมันเล็บก็สั้นๆแล้วช้อนฝุ่นขึ้นมาก็มีฝุ่นติดพระนข า, านิดหน่อยพระองค์ก็บอกว่าถามพี่สุว่าฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินไหนจะมากกว่ากันพี่สุก็บอกว่า โอ้ยฝุ่นในเล็บมันนิดเดียวนะแผ่นดินเนี่ยใหญ่โตเหลือเกินปองก็บอกว่าผู้ที่ไปอบายพอๆกับแผ่นดินผู้ที่ไปสวรรค์พอๆกับฝุ่นในเล็บเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้เห็นโทษของมิจฉาทิฏฐิอะไรเลยอย่างอย่างบางกลุ่มเนี่ยอย่างสมัยนีย้สังเกตง่ายๆว่าผู้ใดสรรเสริญปานาติบาทยกย่องปานาติบาตเห็นว่าการฆ่าไม่เป็นไรนะนะนะมีส่วนนะ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 ใช่ไหมเพราะมันอะไรนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเว้นจากการฆ่าโดยประการทั้งปวงเว้นจากการลักโดยประการทั้งปวงเขาบอกบางคนก็บอกว่าเออลักทรัพย์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นทําการทําธุรกิจไม่เป็นไรอย่างเงี้มันก็มันก็คือมันเลือก่นะเลือกเลือกเป็นเรื่องเรื่องตายเพราะในที่สุดไอความเห็นตัวนี้นี่แหละเสียหายอย่างเช่นมิจฉาทิฏฐิบางคนก็บอกว่าวัตถุกรรมไม่มีโทษ เลยนะเศรษฐเป็นมากขนาดไหนก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะเซ้นความเห็นเหล่านั้นเนี่ยเป็นความเห็นที่เสียหายมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะจะทําลายประโยชน์ทําลายความสุขทุกโทษ เ, เวรภัยในโลกทั้งหมดเนี่ยนะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยถ้าไม่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะทุกโทษในโลกจะไม่มีเนื่องจากมีมิจฉาทิฏฐินี่แหละบาปอากุศลทั้งหลายจึงได้เกิดขึ้น มิจฉาทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นบนพื้นฐานรวมๆพื้นฐานจากสัสจะทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิเนี่นะเช่นพวกสัจทิฏฐิสัสจทิฏฐิถ้าขยายเป็นส ก, กายทิฏฐิได้เท่าไหร่15อุเฉททิฏฐิ5ผู้ใดที่เห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนพวกนี้อุเฉททิฏฐิหมด แต่ถ้าพวกใดถือว่าเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนตนในรูปพวกนี้ก็เป็นกลมสัสตตทิฏฐิแต่รวมๆก็คือมิจฉาทิฏฐิคือสัสตตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิเมื่อใดที่เกิดสัตตสัญญาสําคัญว่าเป็นสัตว์อย่างแท้จริงเ่ยนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะลามลามลา ม, ลามไปเรื่อยๆทําบาปอากุศลอีกเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนนั้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิด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 อย่างเขามีเรื่องหนึ่งพรามคนหนึ่งเนี่ยนะเขาตายแล้วเนี่ยคตินิมิตปรากฏเป็นภาพเปลวไฟนรกอาจารย์ก็ามาบอกว่านั่นแหละพรหมโลกบอกเปิดประตูให้แก่ท่านแล้วจะไปไหนดีล่ะกันเนี่ย เ, เก็บภาพอันนั้นเอาไว้ในความทรงรจมเลยนะนั่นแหละไม่ยังสนิทเลยนะมิจฉาสังกปะเนี่ยนะความนำเรศผิด เช่นตรึกในการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดมิจฉาวาจาก็คือเจรจาผิดก็คือมูสาวาสส่อเสียดคําหยาบและเพอเจอร์มิจฉากรรมันตาก็คือการงานผิดหมายคือว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็ประพฤติผิดในการก็ชื่อว่าเป็นกา ร, ก, ารกระการทําที่ผิด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 ขยันทําปานาติบาตหาปลาทั้งคืนอย่างเงี้ยนีลักษณะนี้เป็นต้นเรียกว่ามิจฉาวายามะขยันมากเนี่ยนะห้ามปลามไม่ฟังเลยขยันรั่งเล่นการพนันได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยพวกนี้แหละลักษณะของมิจฉาวายามะไปขยันในเรื่องที่ไม่ควรจะขยันเนี่ยนะหลับยังจะเร็วน้อยกว่าเงี้ยมิจฉาสติก็คือระลึกผิดหมายถึงอะไรระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาด้วยอํานาจบาปอากุศลเนี่ย น, นะก็คืออย่าง อยู่ๆก็ระลึกถึงจําได้อะนะจำเรื่องเหตุการณ์เรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ด้วยกรรมฐานอะไรนะแต่ระลึกไปเรื่อยเปื่อยนะล่องลอยคิดถึงชีวิตในอดีตคิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยลักษณะนี้โดยมากเป็นมิจฉาสติเพราะอะไรเพราะไม่ได้ระลึกด้วยสมถาวิปัสสนาอะไรสมถาวิปัสสนาเนี่ยระลึกถึงอดีตไหมระลึกแล้วมิจฉาสติระลึกถึงอดีตไหมระลึกแต่ระลึกถึงอดีตด้วยอํานาจความโลภ แล้วลึกถึงอดีตด้วยอำนาจความโกรธแล้วแล้วลึกถึงอดีตด้วยความลุ่มหลงอันนี้แหละลักษณะของมิจฉาสติเนี่ย น, นะเพราะอาคุศลที่เป็นปฏิบัติต่อสตินั่นเองมิจฉาสมาธิละ่ะก็คืออาคุศลสมาธิอาคุศลเอกคขะตานั่นแหละเนี่ยนะมันธรรมะทั้งแปดเนี่ยเป็นความปฏิบัติที่ผิดทําอตัวที่จะละได้เนี่ยละมิจฉาทิฏฐิละด้วยอะไรละด้วยสัมมาทิฏฐิละมิจฉาสังกัปปะด้วย สัมมาสังกัปะปะละมิจฉาวาจาด้วยสัมมาวาจาละมิจฉากรรมันตะด้วยสัมมารกรรมันต์ละมิฉาอาชีวะด้วยสมั mars, สมาามาวายมะเออสัมมาอาชีวะละมิฉาวายมะด้วยสัมมาวายมะละมิจฉาสติด้วยสัมมาสติละมิฉาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิเนี่ยนะละได้เด็ดขาดก็ด้วยมรแปดนั่นแหละส่วนธรรมะเก้า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 โดยสับเนี่ยวินิจวินิจัยการตกลงใจเนี่ยนะโดยศัย์นี่มีอยู่สี่คำนะในพระไตปิฎกคืออาจจะตัดสินใจด้วยยานก็ได้ด้วยตันหาก็ได้ด้วยที่ถีก็ได้ด้วยวิตกก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงวินิจัยตกลงใจด้วยอำนาจของวิตกตัดสินใจด้วยอำนาจวิตกนะตกลงใจก็เอามาตรึกดูนะในนี้ท่านก็ยกตัวอย่างมาทั้งสี่ตัวอย่าง คือเจนตัดส ha ินใจด้วยปัญญาญาณวิน hey ิช <Yes, S 2> ัยตัดสินใจด้วยญาณด้วยความรู้ก็คืออะไรพึงรู้สุขขวินิฉัยครั้นรู้สุขขวินิฉัยแล้วพึงควนขวายหาความสุขในภายในเนี่ยอันนี้เป็นแยกแยะว่าอะไรเป็นสุขที่มีโทษอะไรเป็นสุขที่ไม่มีโทษแล้วก็คัดเลือกเอาสุขที่ไม่มีโทษและเจริญสุขในสุขที่ไม่มีโทษอันนี้เป็นชื่อของปัญญาที่สามารถแยกแยะว่า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 วิตกเรียกว่าวินิชยะวินิจฉัยด้วยวิตกก็เช่นดูก่อนจอมเทพชันทะและมีวิตกเป็นเหตุออธิบายตรงตรงเลยคั้นได้ราบแล้วก็เกิดตกลงใจด้วยอำนาจวิตกคือตัดสินใจถึงสิ่งที่ชอบอ่ะอันนี้ตัวเองชอบนี้ไม่ชอบนี้ดีนี้ไม่ดีพอวินิจฉัยแยกแยะอย่างนี้แล้วก็คี่ต่อไปอีกว่ามีสิ่งเนี้ยมีประมาณเท่านี้มีเพื่อเราอันเนี้ยเอาไว้หารูปอันนี้แบ่งไว้หาเสียงอันนี้แบ่งไว้หากลิ่น หารถหาโพธาพะเป็นต้นนะสมัยนี้เรียกว่ารอบคอบมากเลยนะแสดงว่าได้มาแล้วก็มาใคร่ครวญวุ้ยใช้จ่ายได้อย่างรอบคอบอันนี้ไว้ซื้อนั่นๆั่นไว้จ่ายอันนี้นี่ไว้วิเคราะห์วุ้ยแบ่งสรรปันส่วนได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดเลยอันนี้เป็นของเราอันนี้เราจะใช้สอยอันนี้ให้คนอื่นอันนี้เก็บไว้นะวุ้ยแบ่งได้อย่างประณีตมากเราคนละเอียดรอบคอบมากเลยนะดูเหมือนละเอียดรอบคอบนะแต่ด้วยอำนาจอากุศล น, นี่สิตรงเนี้ยมีโทษ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 ทีนี้พอเกิดตัณหายางอ่อนอยางแรงอย่างนี้แล้วก็ะวงแล้วใช่ไหมตกลงใจอย่างแรงอันนี้ต้องเป็นของเราอย่างเดียวใช่อันนี้ของเราอันนี้ของเราภยายายุ่งของเราปริกหะจะยึดถือเยใช่ยึดถือด้วยอำ น, นาจตัณหาบ้างยึดถือด้วยอำ น, นาจของทิฏฐิพอยึดถืออย่างนี้ก็ความตรณีก็เกิดขึ้นไม่ยอมให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสาธารณะแก่คนอื่นไม่ยอมละไอ้คาว่ามัชฌิรายานี่ท่านจึงบอกว่า ของอศัศจรรย์เนี้ยจงมีเฉพาะเราเท่านั้นของดีๆอย่างเนี้ของเราอย่างเดียวนะคนอื่นห้ามใช้เด็ดขาดเนี่ยนะนนถ้าคนอื่นมาช่วยใช้เมื่อไหร่แล้วก็เดือดร้อนแ่ะนะใครเดือดร้อนคนตันีนั่นแหละเดือดร้อนคนที่ใช้ก็เดือดร้อนด้วยกันนะสรุปว่าเดือดร้อนหมดแหละนี่พอทํายังไงที่จะให้คนอื่นเขาไม่ยอมมาใช้กับเราได้อะ่ะทํายังไงจึงคนอื่นจะไม่ใช้ก็ต้องมีการป้องกันใช่ไหม ป้องกัน ร, รักษาด้วยดีปิดประตูเก็บไว้ในหีเป็นต้นหาตู้เซฟลิ้นชักอะไรก็ว่ากันไปเก็บไว้อย่างดีนะทีนี้แล้วคนอื่นเขายอมไหมล่ะเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยพวกจอมลักจอมขมโมยก็ไปหาบ้างก็ต้องมีการป้องกัน ร, รักษาให้ป้องกัน ร, รักษาก็ทําไงถือมีดถืออาวุธถือสายตาเป็นต้นนี่ถ้าเข้ามาแย่งมาชิงก็มีการทะเลาะกัน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 เนีนะคนละประเด็นกันนั้นประเด็นนี้หมายความว่าสแสวงหาด้วยอํานาจของปัญหาไม่ได้น้อมไปเพื่อเจริญกุศลอะไรเนี่ยนะตรงกันข้ามกันขณะเดียวกันบางคนที่เข้าใจผิดมาเห็นตรงนี้เข้าก็เลยเลิกสแสวงหาอะไรเลยงานก็ใหม่ทากลายเป็นคนขี้เกียจที่คลานไปเลยอันนี้ก็คนละคนละประเด็นอีกเข้าใจธรรมะผิดพลาดแล้วนะถ้าอย่างนั้นอะ่ะ <c oughs> ส่วนธรรมะสิบที่ควรละคืออะไรคือความปฏิบัติผิดสิบประการมี มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาวิมุตติอนนะนก็เหมือนกับมรรคแปดนั่นแหละแต่เพิ่มอีกสองข้อสุดท้ายคือมิจฉายานะก็คือรู้ผิดโมหะโมหะนี่ไม่ง้นะไม่รู้แต่อริยสนะัพจน์นั่นแะเรื่องทั่วๆไปมันรู้นะโมหะนี่ฉลาดมากเลยนะเช่นรู้วิธีฆ่ายังไงฆ่าได้มากมากฆ่าได้เยอะๆรักได้มากๆ า, กากักได้เยอะๆ เ, เพราะรู้วิธีทำชั่วอันนี้แหละเรียกว่ามิจฉาญานะ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 ละเนี่ยนะเพราะความรู้เหล่านั้นไม่ได้สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ส่วนมิจฉาวิมุตต์เน่ะนึกว่าตัวเองสบายแล้วพ้นทุกแล้วทั้งทั้งที่อะไรนะทั้งๆั้ที่ยังไม่ได้บรรลุอะไรยังไม่ได้พ้นทุกอะไรเลยแกก็นึกว่าตัวเองสบายแล้วเนี่ยนะโอ้ยแม้วันนี้สบายจริงๆเลยนะพ้นแล้วเนี่ยนะโล่งอกโล่งใจเนี่ยนะจริงหรือเปล่าโล่งจริงหรือเปล่าสบายใจจริงหรือเปล่าหลุดพ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะนั้นเป็น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 ยังไงดีควรโล่งใจหรือไม่ควรโล่งใจก็บอกว่าเทวดาดาวดึงก็บอกว่าอุยใครที่ไม่ได้มาดาวดึงคนนั้นไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงนะแสดงว่าพวกนี้ไม่รู้จักความสุขเพราะไม่ถึงดาวดึงก็บอกว่าคําพูดนี้ของเทวดาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เนี่ยนะพาหามก็บอกว่าเขาไม่รู้เราว่าสิ่งที่เขาว่ามันสุขนั่นมันคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะไปสําคัญอะไรกับความความไม่เที่ยงเหล่านั้นแล้วสําคัญว่าเป็นสุขแท้จริงน่ยนะว่าเขาไม่รู้เรกว่าสังขารทั้งปวง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 ละทำหนึ่งที่ควรละคืออสมีมานะทำสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตัณหาทำสามที่ควรละคือตัณหาสามธรรมะสี่ ท, ที่ควรละคือโอคาสีทำห้าที่ควรคละ ค, คือนิวรห้าทำหกที่ควรละคือตัณหากายะหกทำเจ็ดที่ควรละคืออนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละคือมิชตะแปด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 ภาษารีบุดยกมาจากพระสุตระสูตรจริงๆทัสุตรัสูตรก็ภาษาเรีบุดแสดงปฏิสัมพิทาก็พระษารีบุดแสดงเพาะท่านแสดงได้ไม่ขัดกันเนนะแล้วก็การแสดงเหล่านี้สอดคล้องตามพระพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะเรียบเรียงเอาคําสอนจากเอาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามที่ต่างๆมารวบรวมมาแบ่งว่าหนึ่งสองสามสิ่งเหล่านี้ควรละนะเห็นไหมเพราะผู้ที่ละาบาปอากุโสลธรรมเหล่านี้ได้ก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง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 ฟังจนจบบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นผู้ละความสงสัยได้เด็ดขาดในคุณของพระพุทธเจ้าละความสงสัยในคุณพระธรรมและพระสงฆ์ให้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิปทาตรัสรู้อริยสัจนะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วนกันในที่สุดนี้ขอความขอสัตย์ผ้ะมองคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านโดยพุทธานุภาพธรมานุภาพ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 เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาและ21นาฬิกาถึง23นาฬิกาสนใจซีดีหรือเอ3ติดต่อที่โรงพยาบาลนวนครถนนผู้หลนโยธินโทรศัพท์02 529 4533ถึง41โรงพยาบาลนวนครอยุธยาถนนเอเชียโทร035 315ห0 0 3 0และมู ล, ลนิธิรักธรรมโทรศัพท์ 02-711-5997-8 ขอหนุโมทนค่ะบาเกสาเก้าเจ็ดถึงแปดขออนุโมทน า, านนนค่ะ สุ भा สิตาชยาวาจาเยตัมมังกลมุตตม